ไปเหยีรณีส่งให้ผมเลยน่าพูดถึงมากแต่ว่ามีใครพูดถึงเลยนะเก่งสักก์ก็เลยเอยประเด็นนี้ขึ้นมาเราขึ้นตั้งหลายวันไม่มีใครประทับใจเรื่องขึ้นเขาเลยนะกาขึ้นเขาเนี่ยวิธีการคืออะไรก็ตามที่มันเสียเส่ยงต่อการทำให้เกิดความหนักความเหนื่อยเนี่ยผมชอบเพราะมันได้ศึกษาคือเรารู้ว่ารู้ว่าอันนี้มันทุก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 เทลานเทระพระมัชฌิมพระนัวาการทุกๆด้วยแล้ว ร, รวมไปถึงตลอดญาติโยมนักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ผมชื่อพระอเนกชัยสิริพัทโทชื่ อ, ช, อชื่อเล่นชื่อปอกครับชื่อพระปอกก็ผมเคยเข้าค่ายแกีรบรมเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สามครั้ง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 ว้เจออหเจอีกแล้วเออแต่ก็กินกระชันไปก็ได้พิจารณาไปว่าเอาลองดูซิว่าของที่เราไม่อยากเนี่ยไม่อยากจะกินเนี่ยอมันเป็นยังไงอของที่อร่อยกินไปมันก็อิ่มของที่ไม่อร่อยกินไปมันก็อิ่มเหมือนกันอผมคิดอย่างนี้ก็ชันได้ครับผลไม้อะไรต่างๆที่อยู่ก็ดีครับแล้วก็เรื่องที่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 ก็เลยเขาเมาครั้งหนึ่งทำแสงเทียนครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่นี่นหละครัเชียงคํานะฮะก็เลยมาดูรูปแบบของหลวงพ่อมห า, าภาปฏิบัติธรรมเนี่ยผมว่ามันมีคุณค่ามหาศาลมากนะครับถ้าใครน้อมจิตเข้าไปหาท่านทําตามท่านนี่ผมว่าสบายใจนะฮะวันๆหนึ่งผมไปการาบอาจารย์บอกว่าสบายขึ้นนะครับหลวงพอ่อ แต่ก่อนผมเป็นคนเปนโมโหมากนะโมโหใหญ่ตอนนั้นก็เสียไปสามหมืนแต่แต่เขาตายนะเขาเข า, เขาตายสามคนนะเรืว่าอยู่ทำเลียนๆเดี๋ยวมันมันตายแต่๋ตะปีสองพันร้อยสามสามนะสามต่อหนะึ 3, ่งนะครับ <c oughs> พอดีบางพี่พาไปตัดไม่ไผ่โอ้ไม่ไผ่นี้แหละเคยเคยทำเขามันเป็นแบบกรรมของเราหรือเปล่าด้วเมียเมียก็ได้แยกทางตรงเวลามากตอนตอนผมตื่นสายหลวงพ่อยเดินออกก่อนเลยโอ้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 เป็นอาการของประมาติอันหนึ่งมันเป็นคำควกว้างๆถ้าเราเอามาใช้คำว่าสแสงสว่างมันก็จะเป็ น, เ, ปนเรื่องของปัญญาเราไม่เรียกว่าเจตสิกเนะขามีชื่อเรียกเขาต่างหาแต่ทาหน้าที่เป็นปัญญาดังนั้นในเรื่องของการเจริญสติแบบนี้เราให้รู้ตามระดับไม่ว่าจ ะ, ะความรู้เนี่ยมันจะมีมากขนาดก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่ได้จัดเรียง